เอมใจีเป็นเราเป็นคนแตต่านสาะิแเ่ธรรมะเหมือนเป็นตวะธรรมะีในเราตามงควาจตต่รู้และน้ำพัาแสลมัจเอาอกมากไไหนเอาดใจใจตไม่ อี่แกมาไรทางธรรมะเดี๋ยวลาผร้อมขีเหลวมันก็เป็นธรรมะเี่แกมาใสาแต่งการฆ่าในไรทางี้เหลวปัญหา ม, มันก็เกิดเป็นขี้เหลวปัญหาขึ้นเนึ่นงโดยไจของเราสะอาดหรือว่ากนนธรรมะแต่มาเอินติดา เหนือเลกครที่ทำแมนี่ปฏิบัติใจใจไปแเป็นแฟนเป็นลูกเด็นทำแม่ล้วไม่อื่นเด็กจะทำอะมรมาทำลูกจะทำแต่ไม่รู้ตัวไปสุดซอยเหวินสุดรูปภายนอกก็ดีรูปภายในก็ดูแต่ที่เจนเหป็นทำแม่เป็นประสบทำแม่ได้ แม้จะมองเห็นเหตุการนี้แต่อาดไมเป็นคว า, า, ามตกความทุกข์ไเสมออความจำได้เพียงแป๊บัญญอารมณ์้งายความปงละเิดไดใใจหรือะอแนมหรือะเอียดเี่ยในตัแนแนนวแต่มีย่ มาเนไปเกิดอปตายไหเป็นอย่องนั้มาอยู่อย่างนั้นแต่นั h, Panama, yellow, ้นเกิดทำมาถือคำวิจาร่านฟุ masa. ้งผ่านซ้อนซ้นายเลยซ้อนสมาตา้หายใจตายใจนี้เกิดทำมะเป็นผีเกิดแที่เหลือเปทนแหเกิดเป็นทำมาเป็นเงิาย ความจริงท่จนมาจริงตานสายใส่ใส่เป็มความจริงจริงเต็มเลยติดอเมื่อยนเป็นถ่ายเดียวเป็พูดอะไรตลอดทางปนั้นอาจจะต้องเรียกเดียบางทีไม่ใช่ต่ความจริงจริงแค่แบบนริงแบบนั้น ทำเนีนยางหากที rem, ่จะนำลี่วิตปัหานเพระว่ามันเสื่อมแรงแต่เสื่อมแรงไปอามันดีนันเฉียบแต่ดีเฉียบไปตนาแล้วสมมอมนความีเงินยากัญญาภายในแตนั้นผู้ศึกษาทำเนี่ยูปฏิบัติทเนียงกเกมา เรื่แห่ความเพียงความเพียงนั้นแต่เรียกว่าเรืองตัดทุกมันมีอยู่ทุกผู้ทุกคนหลายว่าเขาตดใจจ้าจะตัดแต่รู้เรื่องใดตัดแต่รู้เพราะติดใจจ้าจะแต่รูม่ผ่านไปเรื่องแต่ก็เป็นอูกทุกนั้นจะยังเป็นทุกอย่างนั้นตัดเกือบแม เลยล่าเดี๋ยวเขงทุกเป็นคำบางๆเรื่อแต่ตาสูบสูบปุกษาความเกิดเป็นทุ ก, ทกขเเเกเ์เป็นทนะุกข์ดังเรานัา้นมันชอบเติมเต็มความเกิดแต่เรนเราดูที่มิจฉาเนร์หรือัญญาอนิจจาทุกแล้วแตลืตนไปหลงไปไม่ได้เก็บจำแนั้นรนะ์ที่มิจฉ น, นะ์เก็บทุกข์ใหมนะาต่อแล้ออีก เปอ็อย่างนั้นความเกิดเป็นทุกขาโลกลนั้นหมายความว่าเราเกิดมาความทุกข์ต่าใ น, น, น, น, นมนีทุกข์ทุกันเราอยู่ได้ในแต่ละนันมีทุกข์มันเดมันทุกข์ในเกี้ยวแต่เาเส้ยวนี้ยากไป้เอาใ่ค่ก็านไปมนทุกข์ ตอนไนเกิดพวมนตอนไหนมีนะหยยบพเกิดเป็นสาเหตุแเดานกาแน่นๆมันจะเกิดปวดือเดินนๆปวดตกดาเหนื่อยเหื่ออนนนๆมีอะไรที่จะติดกด แก็อยนอนมันตกมันกระบายนั่นคือแบบอยู่ที่แกนะตอนเช้าเราดูเพื่อจะเห็นเดือนอะไรบ้างมันหไปที่ไหนนอนอยู่นันแหละินบหอยู่ยเดกอนนันอยารััน็อยู่ลนอนนันมตกนราไยางรันะแต่แมหยยเยอะ เวลากเวลาเด็บกเดในอดแบบนันเวลาถายายได้แต่ยังได้อยวดแบบนันเวลาอาไปเอาท่าเ็กเนอยู่ในอุ้ดแบบั้นแลเข้าามที่รด้งานอนมันดาเดมันก็ดาอยู่ในแนวเท่ามันจะเกิดทุกข์นี้เป็นเป็นความทุกข์ จากนั้นคุกตอนที่จะมเยียนเยียดมันมีอยู่ทลายนะเราจะไปตรวจพบมาโดยกรเท่านั้นเราจะว่ะเราตรวจพบทุกคนนะตึงปวดขนปวดหล้าปวดนิ้วปดตาเจ็้นเอวเจ็บไห่เจ็บเหนืต่างตอางมันจไปตรพบมาท่านั้นแต่มันอะไรที่จะมาเดือของทุก แต่มันเกิดมาจากความเกิดของตัวเกิดมาแล้วนิบเด็กผู้เด็กผู้ชนนิดนั้นเราอากัยการบำบัดรักษาเปลี่ยนรูปแบบหรือแม้กระทั่งหายลวก็ดูเปลี่ยนรูปแบบหรอ้กระั่ เหนื่อยเหนือนตอนเดินตอนนอนนอนยเห่นอนนอนยืนไปเดินเีเรของุมันมอยู่ตลาดเเักเป็นางเา เมตติแก่ะเดือดตะิดือดปัญญาใส่ใจรู้ใจเห็นพักเกื่อนมาทุกหลับเัลื่แต่ทุกในใจมันแผลวใจดีกับใครหลบตื่นใหมันมันไม่อย่ใยนั้นมเปลีมาตามเดือดให้มันูกนั้นก็เป็นอนุังเหนตันที่เกิดขึ้นมา แล้วก็ตอยไปหาตไปเป็นยีใหญ่นั้นถ้าเป็นยีใหญ่นั้นพื่อเราท่านกดทนหน่อยๆอาใส่ตีมันจะตึงและจะควรแตกปลายไปนั่นเองคุดีมากแต่จะลงหลังแต่ว่าหน่งคุกพอจะคุกคนอีก่อจำหนึ่เหยื่อเขุกแ้วจะเอาคุก ตอนตายทุกข์แต่ไปวึดทุกข์และเป็นเราเป็นตองเทาความใจใจของคนผัวไปที่ไหนติดตะเวนใจเป็นหยงนั้นตที่ตันกิตะเวนใจขอ้านตอนนดีหลทุกนี้เป็นของจิความในลีุกขจิตใจก็จะลงเลไหลจิตใจก็จะดำเงาแต่เดี๋ยวนี้ที่แกเนี่ ยาที่จะแก้ไขในปาที่จะเกิดขึ้นได้าหลไหลตเคมีุม่อไร่จะเป็นวิลับปัญญามันเลยเราเกิดัามนีนาของุรพอเยม่ นอนใจข้อแต่งเต้นในเราลูกจะเอียเียเรา่องตอนหรือไองตอนมันจะแสดงอาตัดชวิยาขึ้เหื่อามในจแสดงอาตัดชวิยาขึ้นเราจะตั้งใจนที่นี้ทุกเร่องนยที่มันแสดงไปนั้นมันเป็นอย่างไรในความทุกน์คามุกว์นั้นไงหรือมันเป็นทางก้ไขจะให้จิตใจ รู้เวนแลวเนทุมาต่รามาที่เจรดที่เจริญทุแต่รู้ให้ใสใจตามเตเเหุกทาตัดตะกี้บัตันท่านรมาที่เจริญมาในเมื่อใครที่จะยิ้มจากพุกใจว่าเกิดมาแล้วจะตอบสนกเโดยารพุกเสี เราจำในเด็กศกษาในปฏิบัตธรรมว่าพอทุกเกิดมาถึงเวลอยากจะให้ทุกเห็นบัตรใ่ข้งไม่เหมาแล้วเทไรจะยอมเสียใจเพราะอยาให้ทุกห่ไปจากจากใจะกรณีแข้งทได้หรือทได้ทุกำไม่เห่นัน่อนั้นจเกิดมาไม่นั้นัมีง คือจตไะเอยางอู้ท่าน้ทุกที่เป็นธรรมน่้แนั้นท่าน้จของท่านไปุยิกับุกุกเป็นดาวเราเุกเขียนคนทำเมื่อยนแบบุกเรื่องนว อย่างดีาันพร้อมสุกขอตัวตัวเป็นทุกข์มันถือแบบนะแต่ท่านที่ภาวนแต่แห้งพร้อมขุนทุกข์เอาชนทุกข์้านจะต้องกหนดดูจิตวดหยอนหย่พนาแหงแหงในทุกมาท่านจะต้ที่จะมแต่เริ่มต้นและไมนเร่มต้น มื่พุกนี้เแื่มันเกิดขึ้นมาม่เกิดขึ้นมาจากอะไรพุกนั้เท่าไหร่จิตใจตัวมันจะเปิดเผยยึดจงเปลี่ยหน่อใหม่หนึ่งมันจะย่นตอนแรดือดพกพอคุกมันแสดงเราจะรู้ว่าพุกนี้เกิดขึ้น แล้วพรพเ้ามาสอนแล้วใช้กำหนดทุกเทพที่เจริญทุกแต่รู้ทุกตามเป็นจริงถ้าเราเบือดทุกในที่เจริญทุกตัวที่เบียดคำสอนขอุทเ้าในสายที่จะเอาจะทุกได้เพราะในูทุกในิญทุกในูเนี่ย คณะนี้มันเป็นเกลื่อนสิ่งเหมือนการเต็มเลือิ่ที่ต่อที่กันมันนเลื่นเช่น้นาการจความเม่พวักิจารณ์ิารันมีกเกนนะเป็นแม่ที่อ่งและทุต่ี่แบบ่อนกันหมดที่ไม่ิดอะไนมเกนมาจากอะไรกันเนี่ยถูกไหไ แข้งเต่าเหนียวหนอะแงเต่าเอ็นกะดูกแข้งเต่าข้งเหล่านั้นข้อเด่นแบบกนั้นหรืออะไรมันเป็นพวกตัดไม่จะต่อยตีตอที่นี่ตีได้เ่อไรตตอที่นีีมอรงเหลี่ยข้งคู่อย่างนั้นแต่จะไปคดอะไรไม่จะพุกมากในขนาไหนเรจะเที่ยวนะใสรู้ใส่ใส่ใจเลยพุ มัในปใจแล้เหิดใไหิดายอยู่ในเรื่องของทุกแงเรื่องของใจต้อเสน่หากว่ามันเกล็ดมันเก ม, มันเป็นทุกอะไรคือมันเป็นทุกคืออะไรมันจะตาปใจมาเาเรื่องของใจปิดไปยึถือไปหลงเรืออาตมรขอทนาเราือ่อในใจ แตายินดีกับที่ว่ามันเป็นคุกในเรื่องหล่รนี้มันมีอยู่ในภาพในถ่าคนเกิดมาตัดเกิดมาไม่ต้องมีอยู่หวออังเล้วถ้ำแห่เทือรู้เรือแพน่ะสัญญาทั้งฐานยืนยัเรื่อง น, น, งอง น, น, อนี้มันเป็นเงื่อน้น เหน่อยลงไปเหนื่อาบแต่มันเป็นตายไม่นาดูบ่นแต่มันเป็นฟุบเป็นร้อนอะไรมันมันโดมีใจเอื้อใจในการเป็นอยู่หรืออะไรไปทหเลีุ่บนั้นนั่งเกิดขึ้นแ้วแต่แรวนและแปรเลี่ยนอนกันเร้เคยแต่เจอพบมารับเลยเถิดแต่เวลาสู้เวลาหนึ่งเล่้ เอาใจคณะนั Ù, M M ้นนั้นตอนเป็นคนมีความเคนมีความภาคเพียรางความจริงจรของทุกกหนดีอย่างนั้นมันจะเกดคมาขนาดนมันจะเป็นอย่างไรมันเกิท้องทุกข์ใจของเราไปยึดไปถือไปเกาะไเกียวถ้ามนไปเกาะไเกี่ยแไม่ต่เราไรทุกมันก่อความเป็นใจจ กำห น, น, นดอยูอ่ในเในขายขณทึ ก, ยกยอย่างได้อในอะไรเราจะได้ย้อนยุบบติจัดสู้จากเอาไปอันนี้ายเป็นทุกภามาธรรมะมุสาทุกขามุส า, ามันจะ่างกันแค่จะดได้ีต่อปที่ราในวิญ่าณิดเมตตาสู้ตายนงความ ดกตาอก่องฟันหรือตาแหงเราะเป็นหยกน้นเขาดูจาตาดอกเชื่องนเขาดูแบบเปเป็นเเกืียนอกจากที่แบบแต่พนองเดียวกันทาพระเจ้าดูแบบเค็นเกียอย่างตักเหล่างะ กนหนดไม่อดในธรรมเดินจนเดนตายมันหายแล้วหรือมันเปิดไปแล้วอะไราหมเวลาอนนี้ทน้ามันจะมีมาอีกหมไม่เีอีกเดทองฟุอเราเปิดมาเปิดมาเกิอความตายแต่มีใครที่เกหลุด้นไ้่ไหนจะต่อไปเรืที่เกิดมาต่วันนี้มีต้วันเ อยู่ไปก็จะทนทุกข์ทนนานเรื่อยไปถ้าใจไม่รู้ทุกเป็นสิ่นเลืองไหลอยู่เมื่ไรมันยึดถืออยู่เมื่ไรมันยังคิดว่าทุกเป็นเตลือเป็นทุกมันจตอในเปนลบากเรื่ถึงอย่างไรก็ใจกำหนดไม่รูมันจะดิขึ้นไปไมันจะอย่ลำกไปเหม แต่ทับเน้นอยู away, ่ระเบิดแล้วระเบิดแต่ใจเห่ยงต้นแล้วใจเมื่อใจใหญ่นั้นเหลืออะไรทิ้งแต่เป็นขอจิตในจิตในใจใจในเหวี่ยงทิ้งตามเป็นจริงในเกิดความรู้ที่อยู่ในเกิดถ้าใจจางขึ้นเราจะต่อตู้อยู่ให่นั้นมันเหลือดีใส่ถ้ามันเหลือดีใส่ก็จะได้จ้า ใ้ากดไปด้วยความไปเรา น, นัดส่อทุกไรวันจะตัดทะลุครูอาจารย์ที่มันท ำ, มามานทำมเมื่อานแต่ทำเราเยอะทันมันไม่เหลือดือไปแต่ไม่รดมันถูว่า ม, มันจะตายเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เรจะไม่กลัวตายเราสื่ไหนเราสื่อนีตายได้แต่กลัวตายมนห น, นีตายไปเลยได้ แรงแรงใหญ่นั้นใจมันผัไหลไปที่ไหนในใจก็มันมันตุ้มอยู่ที่ไหนมนเป็นใหญ่ไรแต่ใจใจตามเป็นจริงเทาันเอาใจคณะตัดความเจ้าให้ได้ความใราต้องรูความรู้ความรูความเป็นทุกข์นั้นมันมีอยู่สองสัตว์ที่เขาอยากสืบจากทกปฏิบัติแลบสืบกันจริงใ หุดไปเลยแต่ไปบ้านอื่นนำมถทุกการเปนจริงอย่างนั้นมันจะแต่แต่ทางเราจะตนนแตกเป็นทางไปเมื่อไรทุกยังแสด้อยู่เราจะไม่ยอมเริัความเปียงเราคที่ตเราจะด้นกลืิตท่าของน ขไปถลนเลยวนบินอยู่งังต่อไปสิ่งไปต่อไปนั่นจะจะเริ่มมาสู่ลันสู่ส่วนดินครับใส่สิ่งสิ่งใส่คลุกนันจะจะได้สิ่งถลันเลนั่นจะทนาเดียวกันนั่นเลย่าเพราะต่อไปแลวันลยคลุกมันจะจะได้ขนาดเลยตอแบบเราเลื่อยเลือยไปคลุก ในเวลานี้ในทุกตอริใจ่ทุกตอจงได้อไแต่ตั้งใจอย่างนั้นขนตดิมันจะ้งเมื่อมันเลงเ่เลงไปมันดยึดอ้เือดทะเลสัญญาเอนด้นปล่อยลไปหลไปวางดับงไปามาม อัศจรรย์เกิดขึ้นือดรุนแรดืจิตโลเลียนบัดสนิทมันเปนยึดเป็ใครในอารมณ์มาแล้วเดือด่ทินเป็บบดีๆนั้นเดือดของใจมันม่เหนื่อยเดือดพราะนั้นน่หลุดเป็นเด โดอเกี bullet metros, bullet re, ่ยวด้วยความอ่นโยนทำเยียกจะควเือมันเป็นน้นมันอเกกร์เเราไปตัวทำที่จะได้สิ่งแล้วแต่โดยที่ที่เกี่นในใจางางังเราได้กับกมเปียเืองา เร่จะรู้อแน่เบปวดขึ้นนะจะจะเียเลือหมเัใส่กุ้งนเหนื่อยเต่าแต่เดิมาแม่เบปวด้นจะเจี๋ยวเลอดหยต่ถ้างหญ่เน้นเอาใจ้นจัุกเลย้เวลาป่เข้าหลอเข้าเราใจตี๋ไม่ได้แต่ทํารงั ไม่หลบทกไปได้เรเจะต่อสู้ตลอดต่อสู้ไปใจจะแน่ใจหนงเหนื่อเราจมีใจไม่เกิดขึ็นมฆตลอดเหนื่อยเราจะต่อสู้อีกใจใจจะน่ทังหมเรื่องเรื่องุเรื่องุดตดุแบเราจะเดาตู้ เลยเอ็หลบูเหตบเว้าใจและทำเต็มที่แล้วจึงจะเป็นแบบนี้คือที่เรื่องคือที่เรเล็ตอต่อไปสิแต่จะติดใจเรื่องเลวทำเต็มที่เข้าใจแต่ก็เป็นหลบจุดตงนั้นเขียเลียดแต่าหลัเป็นแล้วไม มันต้องเดือด่ตอนมะเูคกมันลากหรือกลคแล้ตอนเข้าสมาธิเข้าสาบัดแต่ถ้าคุณได้เจ้าแล้วจเลือกคุกทั้งสองที่ที่การเข้าาธิาบัดท่านะเอาเลยนเอนเข้าาธิาบัดเล ตามจริง น, นั้นใจจะนับทุกจริงๆใจที่นี่ที่ใจในเลือดของทุกข้แบบทุกนี้จรนนิงๆเลยจริงไม่จะุดไม่จะ ต, ตายทักล้วมันเป็นเรือ ง, งของผันลมกระเด็ของมันตามหลอกสีจะหุดนั้น เม่อเด็กเปี่วก็ตัวแ็งมันแสด้ไปอย่างไรจิตใจเราจะรู้เห็นความแสดงไปอย่างชัดเจนแต่จิดนั้นจะเป็นทุกข์ตานเรื่องของขันคื่มันแสดงอยู่เมื่อมันเป็นอย่างน้มันจะแสด้ไปอย่างไรจะเป็นแบบสื่อข้อนั้นจะเรานั้นเหลวจะเรานั้นเป็นทุกข์เมื่อมันขาดจากตน ใจใจแคบเตือนหยาบนั้นมันเป้นเพลิงไฟหยาบพุกเนเราเราเป็นพุกใจหยาบพุกจะตัดเราพุกเท่านั้นจะได้หยุดพุกไม่ใชตัวพุกไม่เป็นพุกหรือู่นึ่งู่หนึ่งจะต้องปฏิบัติอู่จะพอใจแล้เหยียบเอาพุกหรือใจใจหยาบนั้น มันเกิขึ้นตอนใดเวลาใดอย่างไรท่านก็จะดุเหลไหไปตามเหตุของุุ่ามจงดับุจิตในวก่ไปดไปยึดไปเรื่องของุม่ เราพุดลอยไปแต่พวกมันได้สดงอยู่พวกมันเหยียดทอดุกเ็ทอดขันที่ทำแบบสมทรใหก่อให้เกิดทุกนั้นนั่นไม่ใหญ่นั้นถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปเจ็บพุกขึ้น้เกิดู่นั้นเจ็กอื่นนั้นเจ็บนะเราเป็นพุกทุกเป็นไรมันเวอะมนยากเห่ อ่าพุกแต่ต้องทำมาจากเสนอนันแหลความอยากอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูใข้อยากอะไรมันจะนีความที่จะแห่าาากนนันติดแบบใจทะเาะกันแล้วมันเกิดตังแหวในจิตในใจมันตื่หละพุกเป็นนมังเป็นพุก ก็เป็นพวกเดือดใจไปยึดไปถือไปแสวงทุกข์้นอื่นก็เหมืรู้ตานเป็นจริงเท่านั้นแต่นั่งปู้ปฏิบัติปลูกเอเวนลัคษาที่เจริญภายในตื้นลึกแสุขใจภายในขณะจัดทุกข์บ้าุกข์ทใจแต่รู้วันสุขใจได้ใจก็นอกมัน เมอตายเมื่อไรทุกตายมันดะจะต้องแสดงหยุดแต่เท่ารู้เข็มขันทุกทางใจนั้นจะได้สูดใส่ใจดีใจรำคาญน่ะมันเป็นอย่ามันเป็นอย่างมันไม่มีในจิตในใจทั้งท่านทุกแ่ถ้าเป็นทุกจิตใจทีจะได้ยุดนือยหน่อยเม่อถ้าเมื่อขั เราที่แ yes. ก่แล้วถึงขั้นจริงจังไม่ขาดไปตกนะมันหมดไปแต่แกรู้จะเข้าใจนั้นแต่เพระอาศัยเราตั้งใจแต่เอตัวเองไใช่ว่าจองล้มันจะเป็นแต่หยิบนั้นหรออาเราะท่านจะทำได้นั้นใหญนั้นเราทำไมไม่เป็นนี่จะอยากเป็นอากหอยากทูแต่เกิดขึ้น อย่างี่เจ <kill to fully människ ium> ้มาดูอย่าไปยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแปรเปลีนมันแตกสลายแต่เป็นเราเป็นเท่าเรอยู่เสมอไปเพราะใจเลยมีตั้งยองหรมีทาแมื่อไรตูถามันมีทาแมื่อไรตัวอะไรกิดขึ้นแต่ขตอนเป็นจริงเท่านั้นอย่าจิตใจอย่าไปเลี้ยงไหลใส่ฝันแต่ใจเราจริงเร้เน เราเกิดขึ้ น, น, นดได้เราจะมรดัได้าใจหินใจเป็นอย่างนั้นตบต่แต่ของโลกุตตะละทำอย่างถ้าอยานย า, าเป็นธรรมยศสี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะต่อไปันเลยที่นี่เนทเจนานอะไปรืวองต่นี่ไปเรื่องอะไรต่ออือไปเรื่ อะไรจำลองไปอยากมันเคลื่อนไหวอยากเข้าใจในติดเท่าไหร่แต่สิ่งใดหรือการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต่อยมือกันแตกแหวกกันในรายของใหญ่ของรายลเอียดายรู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นกูไปรู้ไปเห็นแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตองอยู่าอยากใส่มันตอบรไม่เติมรู้ใง ี่าเดียงตาเล่นคำใสใจในทำตอนเป็นจิงเม่ันเป็นจิงในิตในใจใหญ่นั้นนม่อเราีอนาใ้่นแต่พ่งใส่ในใจจะรู้จะดีแบบท่านจิทานใจเราหลงจะหลงรู้หงนานเท่านั้นในหลงอันอื่น ทำแนเดียวกันลูน vale. ี้มีปัญหาไหมทำแน่หยาดทเราเอิดความชอบความยินดีหรือจำหนึ่เดี่ยน่ะเราเหยียดเขาลูกที่เราตอกทอนเราตอกแขนแล้วจะยินดีหยาดบ้างทเราไม่ต้องทลให้ตอกแขนเราจะรังกี เราชอบเรายินดีเราเป็นธรรมดาคลายจิตดูดูชวนค น, น, น, คนหน่เลือดตับนั่นจะเป็นใหญ่เลยนั้นติดส น, นิทแน่แน่นอกจาะไร้จุดเดือดตันหาวนแกลายมาที่มีที่แก้ในเลือดเข้ารูปกายเป็นจเข้ารูปเมื่อยอรออ ไ, ไรร อนเเหวิดแต่ันไม่ไดมือนเกิดงต้อจะมีแปรเปลี่ยนและแตกรายเหมือนกันหมดเกิดสิ่งหนๆทำาิ่งหน่อยๆไม่อาจดูไม่อาจเชื่ในวรถแบบด่นจอดหือียวบีหว่แต่ในนอนแช่แล้วก็เ่ยนล่องคล่อุกไปตอนหยาดหยุดตงน ภาแข็งของเรากำเนิยันอย่าที่เจอเนี่ยต่ยใจภาพยาลงรีนั่นและคามเบลออะไรเขาเอียก็เป็นแบบถ้าเนรูอะไรที่เป็นเหลวไหลแต่ยึด i ือแบบเป็นหยุดนั่งหยุนี้ เกลี่ม like, ันพ e ี่แกแนท่แมันจะทอดไปถือจิตเล้ยงใจทอดหรอรูปเกลี่ยใจไว่ก็จำบิดในใจไม่จะท้าได้แต่มันเกิดขึ้นและแปลเป็นแตกแผมันจะมาติดใจเลยืีใจให้เราจำบิดมันรู้มันหลงใหลไหม อย่าได้ตกด่าท่องนานไปใหญ่เลยฝนตีติดระยะนี้จิตใจเราจะรู้คือมันหนึบหนึบหรือรู้พอกำหนดรู้ไหมมาหนออนใหญ่ตลอดตลอดที่แเนี่ยจะอย่ลที่มา้ตงเลงั้นันจะลจะไปเลี้ไหลจะรู้ทไจใจ ม <esteem S 3> ู้อไรหมันจ so ึงลายลงไปถลายลงไปเรื Sorry. ่อยติดติดตม่งเราตดเลาติมีความน้อยท้อใจพักหนึ่มันจะรู้จะแพ้ใจในคู่แบบเพื่อนบบความน้อยจะมีนทไนจังางงก็จะแพ้ใจหล่อเตี้ทำเป็นอะไรมืนดมัน แล้วมันยังไปยึดไปผูกกับรูกับเรื่องอะไรข้างนอกูแล้วยังมีอยู่เหมือนกันกเราอยู่ในแต่ก็ไม่ไดางแต่คนที่ตอง้าก็ยังอยู่ในงยังอยู่าดูอย่างไร้คนข้างอกมาดูดูคนอยู่นั้นแต่เราน่ไร มันจะยัดีอเแข็งตัอยากเป็นของดีของดีดเมื่อมันดีดีในไข่ขงนจะิจถนัเลยจะเป็นบไรก็ตเเรือวางของิดผิดเรื่องผิดอยูนั้นไม่เกิดขึ้น เปเตเป sunlight, ็นเรงถ้าเราเป็นรูปแบบไา่ได้แต่มันบ่เอ็มมันได้แต่มันเป็นเรอะไรเห็นที่จิตอยู่ในจิตในใจของเราเป็นอย่างนั้นเป็นที่ติดมอย่างได้แล้วติดในใจแล้วแต่มีเวลาที่จะอะไรขึ้นอย่างอืนอืแล้วผิดมันไม่ได้ติมันจะไม่ได้ติดเลย มันจะต่เตตเอเปลต่อหุ น, น, หนต่อซีนัตติเจนดูเลอด้สุดเสีอยู่ตลอดเวลามันจะเปลไม่ลาดเลยอย่าไปเลหลยะงแต่มันดูมนดเปลืกิดไปเวนไปที่เวลาไปียบเรยบไห่ใิดมันป็นหญ่นั้นั น, นดูดไขนกมันดูเลือดงั ง, งิด จากใเลยอะไรติทำยกการทุกเสมอเราไปยึดในความเความเป็นอย่นั้นเราเกิดขึ้นในระดัไปเราเกิดขึ้นในระดับไทยใจรู้เห็นในจิตในใจในวันเหนือ่าจิตในใจใจในรายละเอียดมันเป็นอย่างนั้นจนดีที่ มันหมดเรื่องทั้นันมันเป็่อย่างรน่นแต่แค่การมันไม่ติดต่เป็นเรื่องของันเรื่องขันเรื่องจิตที่เราจะคิดใจจรงใจกลางใจไว้ใจเงินเหยียบเยในใจจะดีใจติดใจใส่ใจอยากใจละเอียดอะไรจะดีอันนี้มันเป็นขันของใจเรา แต่คือวัลยสิทธิ์วัลยสิทธิ์เป็นอย่างไรพอไปถึงขั้ไหนมันจะถนัดปืนหรือจะทำอะไรอีกแต่ในโลกมมาถึงแก่ไหนที่เรศันจิตใมันดแก่ไหนทำที่จะเลีงไหลที่จะมีไหมในตอนทำการสิทธิ์ั่องอยู่ใจจะเป็นุปฏิบัต แตอนีเรื่อเตี้ย้องฝดมค่ง้นในตลาดดีหรืออะไรติ่ใจะฮนะจะัเพิมีก ถ, ถามันจีทได้รู้สึกแมลงทำได้รูสึกแล้วมลไม่หมดต้อแิ่ใจเดี๋ยวแบบทาดยยมนันไม่หลืนันไม่ิด มันแต่ physical object งเหล่นี้ p h y s i c a c t คืออะไรท่านเคยจำเล่น r ปแต่จะไปคิดไปดูแบบล่าขนอะไรอีกจะมันเนอะไรอยู่าขนจะคือล่าขนสิ่งที่มันได้เท่รตอยู่การมันเป็นจะคือจังเลยเป็นเลยหัมันเป็นบางนอันนี้มันมี ที thì cues, ่จะบังเพินอีกไหมที่จะลากหัวอีกไหมที่จะเทปตี้แบบเม่เทียถึงขั้นนี้จะมีทองจงใสหรือวาการะเทปตี้แบบถึงขั้นบริสิกทุกคนย่ำหรือย่ำหัวใจในตัวนอื่นก็ะว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ขึ้นใมอไ ไปตามยนศาร์เันเป็นอย่างไรท่านใน้ท่านกจะได้เสรมท่านจะ่อยล้นแพ้ท่านจะเหนืล้ดีท่านเหนื่อยล้าเท่านเหนื่อยล้าท่านเหนื่อยดีท่าน่ในความบริสุินั้นจะไม่รูปวไปไหนท่านจึงเอวีรบุตรบริอยู่แต่แต่ันรจนกระทั่งันตายรอิานั่นเป็นอย่างนั้ แล้มีใจรอใจเข้าเหมือนจะเล่าติทดทำมากได้เออตเหมือมันดรติดแล้วไม่รู้ทำสิลเนี่ยถึงทำได้รู้ติดมันเป <c oughs> ็นปะัจจัยรู้ไหมทเมื่อต่ะเดอยากทำแต่รักชีวิตแผ่ดิ น, นตายม่ได แต่ลืมไปตนหลับตปนหลักเป็นยังเป็นยาลืลมใจจำได้ยี้เดียวจากทจากสิ้นแล้วแล้วแล้วทั้งหมดหมดสิ้นทุกข์ทันโดยสิ้นทุกคนย่อำตายถ้าไม่มีอะไรติดไป ตื่นหยาบหยาบเราจะยังต่อจิเราเหนื่อยเราจะยังต่อเิตใจเราเหื่อเราเเหื่อเราล้าเราเหนื่อยเาจะยังต่อคุณจำได้ไหมจิตในจิตใจใจใจจะต่ได้อย่างไรแต่เรื่ององเอกาพการ่ใจแป่ทตที่บมอันมันจะเปิดเป็นเองแต่เราเหแต่ท่ต่แ เมื่อนิานทิดจัเต็มไปเมือนานติดจััไวมเหลืองไหลควาดีใจเสียใจออกไปดังแต่เราเด็ีแบบตอนสมัยตอนเด็กๆเรานั่งเก็บเกี่ยวใหญ่และเก็บ้นเป็นสัมผัสติดตัวเมือนิทานในสมจะนั่งอยู่แต่ตานเย็นอยู่นั่งอยู่ต่ตานติดตเราอียดติดตัวเรา ดูแลเกิดอาหารเก็บอาหารตามเนื้อเยื่อเลือดหลอดเลือดความเสียดสีต่างๆเน้นแค่แล้วไม่มีอะไรติดบ้างถ้าเกิดเป็นอาการอุจจาระมีเยื่อที่ตันเอ่ออะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แล้ว